วันนี้เป็นวันเสาร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัตผู้ฝ่ายบุญฝ่ายธรรมได้นั่งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศรังธรรม มาศึกษามาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงการฟังธรรมนี้เป็นหน้าที่อันหนึ่งในสี่หน้าที่ด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายให้กับ พุทธศาสนนพุทธบริษัทสี่ผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้มากระทำกันเพื่อที่จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปจากใจ หน้าที่ของชาวพุทธเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้ชาวพุทธหมันกระทํากันอย่างต่อเนื่องนี้ mm hmm. ก็มีหน้าที่ข้อที่หนึ่งได้แก่การศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เช่นการฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นหรือการอ่านหนังสือธรรมะ ต, ต่างๆ อันนี้เป็นการเรียนรู้วิธีของการปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ให้นำอาไปทำหน้าที่ข้อที่สองหน้าที่ข้อที่สองก็คือให้เอาไปปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีดับความทุกข์ไว้สามขั้นตอนด้วยกันคือขั้นหนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงขั้นที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและข้อที่สามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นคำสอน เป็นวิธีการที่เราจะใช้ในการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเพื่อให้ใจได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงก็คือรสของวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแล้วหลังจากที่เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชตบแล้ว เราก็จะได้ทําหน้าที่ข้อที่สามได้อย่างสมบูรณ์นั่นก็คือการบรรลุทำบรรลุการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ เพียงการศึกษาวิธีการเพียงอย่างเดียวแต่การศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จำเป็นเพราะถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้จากวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องศึกษาให้รู้วิธีการปฏิบัติศึกษาแล้วถ้าไม่ปฏิบัติ ก็ยังจะไม่ได้บรรลุถึงทำขั้นต่างๆได้ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ในขั้นต่างๆได้ศึกษาแล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วทีนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนแล้วหลังจากที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ได้บรรุษทําขั้นต่างๆแล้วก็ทำหน้าที่ข้อที่สี่ได้คือเอาธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ได้บรรลุถึงนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจต่อไปขั้นที่สี่นี้ก็จะทำให้เราช่วยยืดศาสนาอายุของพระพุทธศาสนา ให้อยู่ต่อไปได้อีกเรื่อยๆเพราะศาสนานี้ก็คือคำสอนคำสอนที่ถูกต้องคำสอนที่ถูกต้องนี้ต้องเกิดจากผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมเพราะว่าได้พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติว่า การกระทําที่ถูกต้องนั้นต้องทําอย่างไรเพราะว่าถ้ากระทําไม่ถูกต้องผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าการกระทําถูกต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะรู้จักวิธีการ กจัดความทุกข์ที่ถูกต้องและเมื่อรู้จักวิธีที่ถูกต้องแล้วก็สามารถนําเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ได้อย่างถูกต้องต่อไปผู้ที่บรรลุทำขั้นต่างๆก็คือพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆนี้เองคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระ อ, อนาคามีพออระอรหันต บุคคลหลนี้เราเรียกว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนเมื่อท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ได้บรรลุถึงวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีแบ่งไว้เป็นสีขั้นด้วยกันขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิฎากามี ขั้นพระอน า, าคามีและขั้นพระอาหารหันต์ตามลาดับเมื่อได้บรรลุถึงธรรมขั้นเหล่านี้แล้วก็แสดงว่าได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องผลถึงปรากฏขึ้นมาเป็นการบรรลุธรรมบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆตามลาดับ เมื่อรู้แล้วก็จะสามารถที่จะเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อผู้ที่อยากจะเรียนรู้วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์จะได้เรียนและได้นำอาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ตามลำดับต่อไป อ น, นี่คือหน้าที่สี่หน้าที่ของชาวพุทธเราถ้าเราทำหน้าที่เหล่านี้ครบสมบูรณ์เท่ากับว่าเราได้ตอบแทนพระคุณ <c oughs> ให้แก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องการเงินทองข้าวของอะไรเป็นเครื่องตอบแทนในการที่พระองค์ได้สรงสละ เวลาของพระองค์มาโปรดแสดงธรรมให้กับสัตว์โลกอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสี่สิบ้าปีด้วยกันหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุพระอนุตตรสัมโพธิญาณได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้วพระองค์ก็ทรงทาหน้าที่เป็นพระบรมศาสดา เป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยการแสดง <c oughs> ทมให้กับบุคคลต่างๆวันละสามสี่เวลาด้วยกันเช่ยนยามบ่าย <c oughs> ก็ทรงแสดงธรรมให้แก่คารวาดญาณโยคขรหัสผู้ครองเรือน ในยามค่ำก็ส่งแสดงธรรมให้กับบรรพชิตนักบวชคือภิกษุภิกษุณีสามนเณรสามนเณรีแล้วก็ในยามดึกก็สแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาแล้วในตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงเลงยานดูว่า จากไปโปรดบุคคลใดเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นเพราะบุคคลนั้นอาจจะพร้อมที่จะได้รับธรรมันประเสธพร้อมที่จะบรรลุและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่อาจจะมีเวลาไม่ไม่มากเพราะอาจจะต้องเสียชีวิตไปก่อนในเวลาในระยะเวลาอานใกล้พระองค์ก็จะส่งมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นก่อน หลังจากเียนยาแล้วก็เช้าก็ออกเสด็จออกบินทบาทนี่คือพุทธกิจห้าประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันยกเว้นถ้ามีเหตุประชวรที่ไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เท่านั้น พระองก็จะส่งทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะได้สั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จักวิธีการดับทุกข์ที่ถูกต้องว่าดับได้อย่างไรเพราะสัตว์โล ก, ท, กทุกสัตว์โลกที่มาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ ก็ตกอยู่ในความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นและทุกคนทุกสัตว์โลกก็มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งตัดสรุวิธีการดับความทุกข์แล้วจะไม่มีใครจะรู้ได้ด้วยตนเองเลย วิธีการดับความทุกข์นี้เป็นความวิธีการที่ลึกซึ้งละเอียดบุคคลที่จะสามารถเข้าถึงวิธีการดับความทุกข์ของใจได้นี้ต้องเป็นบุคคลระดับพระโพธิสัตว์เท่านั้นพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องทุกภพทุกชาติเช่นทานบารมีเมตตาบารมีศีลบารมีเนคัมบารมีอุเบกขาบามีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีเป็นต้นสัจจะบามี นี่คือบารมีต่างๆที่พระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญในแต่ละภพแต่ละชาติในแต่ละครั้งที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะสะสมสร้างบารมีเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องจนวันหนึ่งบารมีเหล่านี้ก็จ ะ, สะแสดงผลทำให้บรรลุ ทำให้เข้าถึงวิธีการดับความทุกข์ได้อย่างอย่างราบคาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ได้เป็นเจ้าเป็นพระเวชสันดรมาก่อนสร้างทานบา ร, รมีมีข้าวมีของมีเงินมีทองมากน้อยเพียงไรมีใครอยากจะได้ใครทุกข์ยากเดือดร้อนมาขอความพระเมตตาจากพระม อากพระเวชสันดรพระเวชสันดรก็ยินดีที่จะเสียสละทรัพย์เหล่านั้นไปเพื่อสร้างบารมีเพราะเวลาสร้างบารมีนี้จะเกิดความสุขใจมากกว่าการได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาการให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปนี้กับมีความสุข มากกว่าการที่จะได้รับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมาเพราะเวลาได้รับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาแทนที่จะมีความสุขเพียงอย่างเดียวก็กลับมีความทุกข์ติดตัวมาด้วยทุกข์เพราะว่าจะต้องคอยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ให้สูญหายไปไม่ให้หมดไป หลาบางครั้งก็อาจจะไม่สามารถรักษาให้มันอยู่กับตนได้ไปตลอดเวลาที่ต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่การที่ได้สร้างทานบารมีได้เสียสละทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อประโยชน์สุขของผู้ผู้อื่นเพื่อทาให้ผู้อื่นได้หลุดได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อให้ผู้คนได้มีความสุขกลับเป็นการได้รับความสุขมากกว่าการที่จะได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาเพราะเมื่อให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมากังวลทรัพย์ ส, บสมบัติที่ที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราก็าไม่ต้องกังวลกับมัน แต่ทรัพย์สมบัติที่เรายังมีอยู่เราจะคอยกังวลคอยห่วงใยต้องคอยรักษาและบางทีก็รักษาไม่ได้บางทีก็ถูกเหตุใดเหตุหนึ่งทำให้มันต้องหมดไปจากไปก็มีแต่ความทุกข์การได้ทรัพย์สินสมบัติท ข, ของเงินทอ ง, องถ้าเราดูที่ใจของเราเราจะรู้ว่ามัน มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปนกันมามีทรัพย์สมบัติก็ดีมีความสุขตอนที่เราได้ใช้มันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มันหมดเพราะรู้ว่าถ้าเวลาหมดมันก็จะทำให้เราทุกข์ยากลาบากขึ้นมาได้แต่การให้ทรัพย์สมบัติด้วยการทสร้างทานบารมีนี้กลับทําให้ใจเย็นใจสงบใจสบาย ใจอิ่มใจพอใจไม่หิวโหย<ม>ขอให้มีเพียงแต่ปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงร่างกายก็พอแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นี้<ม>ถ้ามากกว่านั้น<ม>ถ้าใครเดือดร้อนใครต้องการใครอยากจะได้<ม><ม>ก็ยินดีสละไปนี่คือใจของผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว<ม>์จะมีความสุขใจกับการให้ มากกว่าการมีความสุขใจที่เกิดจากการได้รับมา น, นี่จึงทำให้พระเวชสันดรนี้สามารถบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแม้แต่ลูกไปให้แก่ผู้อื่นได้อำนาจของทานบารมีที่ได้สร้างไว้หลังจากที่พระเวชสันดรตายไป ท่านก็ได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วหลังจากที่ลงจากสวรรค์มาก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมารับอนิสงค์ของทานบา ร, รมีที่สร้างไว้ในขณะที่เป็นพระเวชสันดรกลับมารับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ได้เบยจากไปเพราะการเบริจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่ใช่เป็นการสูญปล่า เป็นการนำอาใบฝากไว้ในธนาคารบุญพอเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ธนาคารบุญก็จะปล่อยทรัพย์สมบัติที่ได้ฝากไว้ในอดีตชาติให้กับผู้ที่ได้มาเกิดใหม่เป็นมนุษย์พ <Okay. S 2> ระเวชสารดอก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชกรุมาล <Okay. S 2> ที่มีพระราชทรัพย์ อย่างมากมายเช่น<ช>มีประสาทสามฤ ด, ดูไว้ประทับมีบริษัทบริวารไว้คอยรับใช้มีข้าวของเงินทองไว้ให้เสพสุขตลอดเวลา<ช><ช>อันนี้แหละคือลักษณะของพระโพธิสัตว์<ช>ถึงแม้ว่าจะได้รับอ น, นิสงส์ได้ทรัพย์อะไรต่างๆจาก <c oughs> จากทานบา ร, รมีที่ได้สงสา์สมไัย พระ อ, องค์ก็เคยได้สะสมปัญญาบา ร, รมีมาด้วยบา ร, รมีอื่นๆก็ได้สงสะสมมาซึ่งมาสมบูรณ์ในขณะที่ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพอปัญญาไปเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายของราบยศสารเสรินสุขก็ทำให้พระ อ, องค์นี้สละราชสมบัติไปได้ เพื่อออกบวชเพื่อไปสร้างปัญญาบา ร, รมีให้สมบูรณ<ม>์คือไปหาวิธีของการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเพราะการสร้างบา ร, รมีเหล่านี้ยังไม่พอเพียงที่จะนำามามาใช้ในการดับความทุกข์ของใจได้เวลาที่พระองค์ทร ง, ทรงไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย ก็ทำให้พระไทย lez, ของพระ อ, องค์นั้นเกิดความทุกข์ขึ้นมายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์เวลาคิดถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายได้ยังเป็นสิ่งเป็นเหตุที่กระตุ้นให้เย้าชายสิทธัตถะได้สละราชสมบัติออกบวชเนื่องจากเห็นนักบวชว่าเป็น ผู้ที่จะมีความสามารถในการที่จะค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ mm hmm. ก็เลยทรงสละราชสมบัติ mm hmm. ไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ได้สะสมมาเพราะผู้ที่ได้ทรัพย์สมบัติจากทานบารมีมานี้จะไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติต่างๆ mm hmm. เพราะได้เคย ศลัสมบัติมามากมายหลายภพหลายชาติแล้วมีเงินมีทางมีข้าวมีของเกินเหลือกินเหลือใช้ก็มักจะไม่หวงไ ม, ไม่ยึดไม่ติดมักจะเอานําเอาไปใช้เป็นการสร้างทานบา ร, รมีให้กับตนไปเรื่อยๆพอถึงมาถึงภพสุดท้ายพอมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะถึงมีถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากมาย เป็นลูกของกษัตริย์แต่กลับไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นถ้ามีเหตุที่จะจำเป็นที่จะต้องสละเพื่อที่จะได้ประโยชน์ที่ดีกว่าก็คือประโยชน์ในการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองเพราะทรงเห็นว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากมายก่ายกองนี้ก็ไม่สามารถที่จะมากาจัดความทุกข์ภายในใจได้ เวลาคิดถ ja ja ja ja ึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาทุกครั้งต่อให้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะมาทําให้ความทุกข์ในใจหายไปได้พระองรหัเลยทรง ตัดสินพระไทยสละราชสมบัติเพื่อที่จะไปหาวิธีการดับความทุกข์ด้วยการไปเป็นนักบวชอันนีน้มีใครบ้างที่สมัยนี้ที่เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆที่จะกล้าสละทรัพย์สมบัติข้าว ข, ข, ของเงินทอง การกินการอยู่อย่างสุขสบายเพื่อไปอยู่แบบนักบวชขอทานอยู่ด้วยความยึกทุกข์ยากลำบากเพื่อที่จะได้สร้างปัญญาบารมีให้ปรากฏขึ้นในใจหายากไม่ใช่เป็นของง่ายๆถ้าไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์นี้จะสละทับสมบัติเข้าของเงินทองสละตำแหน่งสละยศอะไรต่างๆนี้เพื่อเพื่อไป ปบัติธรเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้จะหาได้ยากมากต้องเป็นระดับพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะสามารถสละราชสมบัติเพราะเห็นว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่ได้เป็นทางสู่การบุดพ้นจากความทุกข์แต่กับเห็นว่าการไปเป็นนักบวชการไปอยู่แบบขอทานนี่ เพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการเจริญทมในใจจะเป็นวิธีที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆพระองค์ก็เลยทรงสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชแล้วก็ไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆในสมัยนั้นถึงวิธีการดับความทุกข์ของใจในสมัยนั้นก็มี ผู้รู้วิธีดับความทุกข์ได้ได้ในระดับชั่วคราวที่เราเรียกว่าสมาธิเท่านั้นคือเวลาต้องการจะทำให้ใจหายทุกข์ก็ให้เข้าไปในสมาธิให้เข้าไปในฌานนั่งสมาธิเข้าไปสู่ฌานขั้นต่างๆเวลาจิตใจเข้าไปในสมาธิสงบนิ่งอยู่ในฌานฌานขั้นที่สี่ ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบความทุกข์ต่างๆที่เกิดที่มีอยู่ในขณะที่ไม่ได้เข้าฌานก็จะหายไปหมดแต่เป็นการสงบเป็นการหายไปแบบชั่วคราวเท่านั้น <c oughs> เพราะว่าใจไม่สามารถให้อยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเพราะใจยังมีภาระผูกพันกับร่างกายที่จะต้องออกมาเลี้ยงดูร่างกายต่อไป ต้องออกมา่าน่างกายไป <c oughs> ไปหาอะไรกินหาอะไรดื่ม <c oughs> ไปขับถ่ายอะไรต่างๆ <c oughs> ไ, ปไปออกกำลังกายต้องมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย <c oughs> <c oughs> ใจก็เลยไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดอและกำลังของสติที่ ส่งให้ใจเข้าไปในสมาธิก็ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรสติก็เสื่อมลงได้หลังจากที่ส่งใจเข้าไปในสมาธิแล้วกําลังของสติก็ค่อยลดน้อยถอยลงไปแล้วไม่นานพอกําลังของสติอ่อนลงมากก็จะไม่สามารถให้ใจอยู่ในสมาธิต่อไปได้ใจก็ต้องออกมากลับมาสู่ที่ร่างกายมารับรู้ รูปเสียง ก, กิิ่นรสปวสภพชนิดต่างๆมา ร, รับรู้เรื่องของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไป<ม>ก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่มไม่มีใครรู้วิธีดับความทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิกูบาอาจารย์สมัยก่อนสมัยที่พูุ้ทธเจ้าไปศึกษานี้รู้เพียงแต่วิธีดับความทุกหรือหยุดความทุกไว้ชั่วคราว ด้วยการเข้าไปในสมาธิเท่านั้น<ม>แต่พอเวลาออกจากสมาธิมามเรื่องวุ่นวายต่างๆก็กลับเข้ามาใหม่มไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําให้ใจไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆได้เมื่อไม่สามารถที่จะศึกษาจากผู้ได้<ม>พระองค์ก็เลยต้องอาศัยพระปัญญาบารามีของพระองค์ที่ได้ทรงบําเพ็ญมาตระ อ, อย่างต่อเนื่อง ทุกพบทุกชาติมาค้นคว้าศึกษาหาวิธีดับความทุกข์ในขณะที่ไม่ได้เข้าไปในสมาธิจนในที่สุดก็ส่งคนพบวิธีของการดับทุกอยู่ในพระอริยสัจสีน่นี่ส่งค้นพบว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากตัญหาความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นลความอยากในร่างกาย อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นอันนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายความเจ็บความแก่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเป็นเรื่องของร่างกายถ้าใจไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายไม่ไปอยากให้ร่างกายที่ไปยึดติดนั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็ไม่ทุกข์ได้ แววิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์ก็คือต้องสอนใจให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจเป็นคนละคนกันร่างกายเป็นสิ่งที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้กับใจใจมารับร่างกายตอนที่ปฏิสนธิเพื่อที่จะอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วมือนั่นเองถ้า ถ้าไม่มีร่างกายใจที่มีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสภาพต่างๆก็จะไม่สามารถหาได้ใจก็จะอยู่ในสภาพที่หิวโหวยเป็นเหมือนคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่แล้วไม่ได้เสพยาเสพติดก็จําเป็นที่จะต้องไปมีร่างกายในขณะที่ตอนที่เป็นดวงวิญญาณตอนที่ไม่มีร่างกาย เนื่องจากร่างกายเก่านง้นได้ตายไปใจก็เลยเป็นดวงวิญญาณเร่รอ่อนรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่พอพ่อแม่คู่ใหม่มีการผสมพันธ์กันใจก็จะไปจับจองร่างกายอันใหม่ทันทีแล้วพอคลอดออกมาใจก็ไปยึดไปติดว่าร่างกายเป็นตัว เป็นใจขึ้นมาทันทีพอร่่งกายแก่ร่างกายเจ็บรั่งกายตายใจก็ไปคิดว่าใจจะแก่ใจจะเจ็บใจจะตายไปกับน่่งกายด้วยทั้งที่ธรรมชาติของใจนี้เป็นของที่ไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บใจเป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดได้เท่านั้นเองแต่ไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกาย ใจอยู่ในโลกทิพ์แต่มีความอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสผทธภัที่อยู่ในโลกธาตุโลกกธาตุสี่ <S S S ใจก็เลยต้องมาเกาะมาครอบครองร่างกายเพื่อใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ<ม>แต่ร่างกายนี้ก็มีทเป็นธรรมชาติที่ไม่ยั่งยืนถาวร ร่างกายนี้เมื่อเกิดแล้วก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปตามเวลาของมันมพอถึงเวลาที่ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี้ใจก็จะไม่อย่างให้มันแก่ไม่เจ็บมไม่ตายพอถ้าไม่มีร่างกาย<ม>ก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้นั่นเอง<ม>แต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญา ว่าร่างกายเป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ใจร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟจะต้องมีการแยกแยกจากกันไปวันใดวันหนึ่งถ้าใจไม่ไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขถ้าใจหยุดเสพความหยุดความอยากที่จะเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผภทพะได้ ใจก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเมื่อไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีร่างกายถ้าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปใจก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ได้พอใจใช้ปัญญาพิจารณาก็เลยมาตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจความอยากที่จะอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆเปลี่ยนมาหาความสุขจาก การทำใจให้นิ่งให้เฉยให้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรนี่คือนี่คือปัญญาที่เรียกว่ามรคมรค ก, ก็คือเครื่องเครื่องดับความทุกข์ทางสู่การดับความทุกข์ที่มีปัญญาเป็นหัวหอกแต่มีองค์ประกอบอยู่อย่างอื่นคือมีทานมีศีลมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน แต่ต้องไปจบที่ปัญญาเพราะถ้ายังไม่มีปัญญานี้จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้อย่างราบคาบ <Yeah. S 1> การทาบุญทาทานก็ดับความทุกข์ได้ขั้นหนึ่งการรักษาศีลก็ดับความทุกข์ได้อีกขั้นหนึ่งการฝึกสมาธิทาใจให้สงบก็ดับความทุกข์ได้อีกขั้นหนึ่งแต่ยังไม่สามารถดับได้อย่างถาวรได้อย่างหมดจด ต้องมีปัญญาที่จะมาเป็นผู้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจมารักมายึดมาติดมาชอบไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผธพรชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีความรู้สึกก็ดีอารมณ์ต่างๆก็ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของไม่ยั่งยืนถาวร เป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาถ้าไปยึดไปติดเวลาที่สิ่งที่ไปยึดไปติดเปลี่ยนไปหรือหมดไปก็จะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาได้เช่นไปยึดไปติดกับร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเพราะจะไม่สามารถ ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้นั่นเองพอพิจารณาด้วยปัญญาแล้วปัญญาก็หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจหยุดความอยากเสพกา ร, ระหยุดความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ให้อยู่กับความเป็นจริงของร่างกายให้ปล่อยวางร่างกายให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ใจการให้รู้ว่าการไปหยาบไปยึดไปติดกับร่างกายนี้เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเท่านั้นเองพอไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายแล้วใจก็จะไม่ทุกข์สังเกต ด, ดูร่างกายคนอื่นนี่เราไม่ทุกเวลาที่เขาเป็นอะไรไปคนที่เราไม่รู้จักร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักนะ เวล า, าเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปติดไปอยากว่าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราไม่ไปหลงไปคิดว่าเขาเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นเองแต่แต่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ที่เราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเรานี่ไอ้ตัวนี้แหละความหลงที่ไปยึดไปติดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเนี่ย เป็นตัวที่ทำให้ใจเราต้องมาทุกข์ต้องมาทุกข์เวลาที่ร่างกายไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราต้องการให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสามารถพาเราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อยู่เรื่อยๆได้ตลอดเวลาแต่ความเป็นจริงของร่างกายก็คือมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องเข้าสู่ความชราเข้าสู่ความแก่ เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและเข้าสู่ความตายในที่สุดแต่ใจนี้ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายได้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ถ้าใจมีปัญญาถ้าใจแยกใจออกจากร่างกายได้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจ ม, มูกนิ้กายเท่านั้น ตัวใจเองนี้อยู่ในโลกทิพย์ร mm hmm. ่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุโลกแห่ง hmm. โลกของธาตุสี่ดินน้าลมไฟใจอยู่ในโลกทิพย์ mm hmm. อยู่ในโลกธาตุโลกทิพย์ก็คือโลกที่ของธาตุรู้ mm hmm. ใจเป็นธาตุรู้ใจนี้มีความสามารถที่จะส่งวิญญาณที่จะมารับรูปเสียงกลิก่นล่น จากตาหูจมูกนิ้งกายของร่างกายได้แล้วใจก็หลงไม่มีใครบอกว่าร่างกายไม่ใช่เป็นใจไม่จะมีใครสอนว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องเสื่อมต้องหมดไปของบางอย่างที่เรามีอยู่นี้เราไม่ค่อยทุกข์กับมันเท่าไหร่เพราะอะไรเช่นเครื่องใช้ไม้สอยรถยนต์โทรศัพท์มือถือนี่ เรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเรารู้ว่ามันจะต้องเสื่อมมันจะต้องเสียมันจะต้องหมดพอเวลามันเสื่อมมันเสียมันก็ไม่ค่อยมาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเท่าไหร่แต่กับร่างกายนี้เรากลับไม่รู้ว่ามันก็เป็นเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งหรือเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเท่านั้นเองที่เป็นมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นของชั่วคราว วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องหมดสภาพไปจะต้องกลายเป็นของเสียไปรถยนต์ใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ต้องเสียต้องเก่าต้องพังไปโทรศัพท์มือถือที่เราใช้มันก็ต้องต้องเสื่อมไปต้องเก่าลงไปต้องเสียไปในที่สุดต้องพังไปแต่ของเ่านี้เราเราเรารู้เพราะเราเห็นกับตาของเราเราเพราะว่าเราเวลาได้มันมาเรา เราเป็นผู้ไปเห็นว่าอของนี้ไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่ใช้เงินไปซื้อมันมาเท่านั้นเองแล้วเราก็ได้มาครอบครองมันเป็นสมบัติแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชั่วคราวพอเราเห็นรถยนต์ของผู้อื่นเห็นตัวท์มือถือของผู้อื่นที่เป็นของเก่าเป็นของเสียเป็นของพังไปเราก็รู้ว่ารถยนต์ที่เราซื้อมาศัวท์มือถือที่เราซื้อมามันก็จะต้องต้อง กลายเป็นของเก่ากลายเป็นของเสียกลายเป็นของพังไปเราก็ไม่ไปยึดเปดติดเราก็ไม่ทุกข์กับมันเวลาที่มันเป็นอะไรไปแต่กับร่างกายของเรานี้ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยเพราะตอนที่เรามาเชื่อมกับร่างกายนี้เราอยู่ในสภาพเหมือนอยู่ในนอนหลับเหมือนคนนอนหลับเจ็ดนอนหลับไป แต่จิตนี้สามารถที่จะไปเชื่อมกับร่างกายได้พอคลอดออกมาจิตถึงยึดตื่นขึ้นมาเวลาร่างกายออกมาจากท้องแม่พอร่างกายลืมตาจิตก็ลืมตาจิตก็เริม่มตื่นขึ้นมาตื่นมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้วกายพอตื่นขึ้นมาก็มีร่างกายก็เลยคิดว่าตนเองเป็นร่างกายไปก็เลยไปยึดไปติดกับร่างกาย อหนึ่งต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทีนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้ความเป็นจริงของของธรรมชาติของร่างกายและของใจว่าเป็นสองส่วนด้วยกันไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันใจเป็นผู้มาครอบครองร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายไม่มีตัวตนเป็นวัตถุเป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนกับรถยนต์ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้ววันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะย่อยสลายกลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาศึกษามาเจริญมาเรียนรู้กันเพื่อให้เห็นชัดเจน ว่าใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ผู้ใช้ให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆใจเป็นนายร่างกายเป็นบา่าวเป็นคนสองคนมาร่วมกันทำทำทำหน้าที่ทำการงานคือมาตอบสนองความอยากของใจนั่นเองใจต้องการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระใจก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือ ร่างกายก็ต้องเป็นเครื่องมือที่ดีที่สมบูรณ์ถ้าได้ร่างกายที่ไม่สมประกอบมาก็ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ถ้านได้ร่างกายที่มีตาบอดหรือหูหนวกแขนขาดพิกลพิ ก, การอะไรการที่จะหาความสุขจากลาบยศสรเส ร, ริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพจน์ก็จะไม่ได้อย่างเต็มที่ได้บ้าง เราใจจึงลักร่างกายมากห่วงร่างกายมากยึดติดกับร่างกายมากเพราะถ้าไม่มีร่างกายหรือเวลาร่างกายเป็นอะไรไปนี่ใจจะเดือดร้อนนั่นเองใจจะไม่สามารถหาความสุขมาเสพได้อยู่นี่เลยหาสิ่งต่างๆมาเสพเพื่อให้ความสุขกับใจได้ใจถึงทุกข์ทุกข์เพราะความอยากอยากให้ร่างกายไม่เสื่อมอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอเวลาที่ร่างกายแก่นี่ใจก็รู้ว่าจะทำอะไรไม่ได้เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวคนแก่จะไปไหนมาไหนเองบางทีก็ไปไม่ได้ต้องอาศาัยคนอื่นมาช่วยพาไปร่างกายไม่แข็งแรงไม่สามารถทำอะไรต่างๆเหมือนกับตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ยิ่งถ้ามาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยิ่งยิ่งไม่สามารถทำอะไรได้จะต้องนอนอยู่ในเตียงอยู่โรงพยาบาล แล้เมื่อถึงความตายก็ไม่สามารถทำอะไรได้ต่อไปใจจึงกลัวความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่อยากให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจก็เลยทุกข์กับมันทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่ใจรักใจใจชอบไปแต่พอมาศึกษาด้วยปัญญาให้รู้ว่า ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากเหล่านี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็มาหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้และการที่จะทำให้ใจหยุดความอยากต่างๆได้ก็ต้องฝึกฝึกสมาธิเพราะการฝึกสมาธินี้ก็เป็นการฝึกให้ใจหยุดความอยากหยุดต่างๆนั่นเองให้ใจนิ่งอยู่เฉยๆปกติใจของเรานี้จะไม่อยู่นิ่งตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานมันจะคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ กิแล้วก็เกิดความอยากอยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทำนี่อยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปเดิมอยากจะไปรับประทานอยากจะไปที่นั่นอยากจะมาที่นี่อยู่ทั้งวันจะหยุดก็ตอนที่นอนหลับแต่ก็ไม่ได้หยุดอย่างเต็มที่เวลานอนหลับก็ยังอยาก ย, ยังคิดอยากไปทานู่นทนํานี่มันก็โผล่ขึ้นมาเป็นความฝันต่างๆอีก ใจเลยไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เพราะไม่ได้ฝึกถ้าเราอยากจะหยุดความอยากถ้าเราได้เรียนรู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้ว่าในพระอริยสัจสี่วนที่ทำให้ใจเราทุกข์ก็คือความอยากเราก็ต้องมาหาวิธีหยุดความอยากให้ได้วิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องวิธีของสมาธินี่เองเราต้องเข้าสมาธิเข้าไปอยู่ในฌานให้ได้ เพราะเวลาอยู่ในฌานใจจะนิ่งความอยากต่างๆจะไม่สามารถที่จะทำงานได้ความอยากจะหยุดทำงานไปทันทีเวลาใจนิ่งสงบ mm hmm. แะการที่จะทําให้ใจนิ่งใจสงบได้นี้ mm hmm. ก็จาเป็นที่จะต้องมีสติเป็นตัวตัวกากับตัวบังคับให้มันนิ่งเหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์เวลาวิ่งนี่ถ้าเราต้องการให้มันหยุด เราต้องมีเบรกถึงจะหยุดถยนต์ได้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกเนี่รถมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะหยุดรถเราก็ต้องเหยียบเบรกกันเราก็ต้องเหยียบไปเรื่อยๆจนกว่ารถจะหยุดไม่ใช่เหยียบผลเดียวแล้วก็ปล่อยพอเหยียบตอนเหยียบมันก็จะชะลอตัวลงแต่พอเราปล่อยเบรกเมื่อไหร่มันก็จะวิ่งต่อไปได้ <osos Muslims> ถ้าเราต้องการให้มันหยุดนิ่งเลยเราก็ต้องเหยียบเบรกไป ตละไม่ปล่อยเบรกไม่คลายเบรกออกมาจนกว่ารถจะยะรถจะจอดนิง่งเราถึงจะคลายเบรกได้หยุดเบรกได้ฉันใดการที่เราจะทําให้ใจนิง่งเหมือนกับรถที่จอดนิง่งเราก็ต้องมีสติมีเบรกไว้คอยหยุดหยุดความคิดต่างๆเพราะความคิดนี้เป็นเป็นเหมือนตัวคันเร่งเวลาเราเหยียบคันเร่งรถแทนที่จะช้าลงกับจะวิ่งเร็วขึ้น เวลาเราเหยียบเบรคเราต้องปล่อยคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกไปเรื่อยๆจนการรถจะจอดนิ่งฉันใดเวลาที่จะทําใจให้เป็นสมาธิทําให้ใจนิ่งสงบนี้เราก็ต้องหยุดเราก็ต้องปล่อยคันเร่งคันคันเร่งที่มาทําใจให้วิ่งอยู่ตลอดเวลาก็คือความคิดต่างๆนี้เราคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นแล้วก็ไปคิดถึงคนนี้คิดอยู่ได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งหลับ ใจเราเลยไม่เคยมีความนิ่งเลยพอไปคิดถึงเรื่องขนมนมเะไรก็อยากจะกินขึ้นมาก็ไปหยุดความอยากไม่ได้แทนที่จะหยุดความอยากโดยพราะไม่พรพรความอยากจะทําให้เราต้องไปทุกข์เรากลับไม่หยุดกันเราไม่รู้กันว่าความอยากนี่เป็นตัวที่จะพาให้เราไปทุกข์ต่อไปทุกอย่างไรก็คิดถึงเวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถที่จะหามาได้ตอนนั้นเราจะทุกข์ เเราอยากจะได้เงินเงินเงินที่เรามีอยู่หมดไม่พอใช้เราอยากจะได้เงินเพจะได้เอาเงินมาใช้อีกพอเราอยากได้เงินแต่เราไม่สามารถไปหาเงินมาใช้ได้เราก็จะทุกขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้เงินเราก็จะไม่ทุกไม่มีเงินก็ไม่ทุกอยู่แบบไม่มีเงินก็ได้อยู่แบบพระอยู่แบบขอทานไปยินดีตามมีตามเปิดมีมีอะไรก็อยู่กับมันไป มันก็ไม่ทุกได้แต่เราไม่เคยฝึกฝึกจิตเราให้อยู่แบบนี้มาก่อนมันก็อยู่ไม่ได้มันอยู่กับความอยากตลอดเวลาอยู่กับความอยากมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เพราะไม่มีใครสอนเราเราไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะเราจะไม่รู้ว่าความอยากนี่เป็นตัวที่มาสร้างความวุ่นวายให้กับเราสร้างปัญหาสร้างความทุกใจต่างๆให้กับเราตลอดเวลาเราก็ไม่เคยไม่ไม่รู้เมื่อเราไม่รู้แทนที่เราจะหยุดความอยากกัน เรากลับสนับสนุนความอยากพอคิดอยากได้อะไรก็เอาเลยไปเลยไปหามาเลยไปจัดการมาเลยพอคิดอยากจะไปเที่ยวก็ไปเลยที่ไม่เคยคิดถึงว่าเ ว, เ, วเวลาที่อยากแล้วมันทำไม่ได้มันไม่ได้ดังใจอยากจะทำยังไงเวลานั้นมันก็จะเศร้ามันก็จะมันก็จะเครียดมันก็จะโกรธได้มันก็จะทุกข์ขึ้นมา ดีถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ารู้ว่าตัวที่เป็นปัญหาก็คือความอยากนี่เราก็ต้องมาหาวิธีหยุดความอยากปัญญานี้เพียงจะสอนให้เรารู้ว่าความอยากเป็นปัญหาที่เราจะต้องหยุดแต่ตัวปัญญาเองนี้ไม่สามารถหยุดมันได้ถ้าหยุดมันได้บ่านี้ญาติโยมก็ฟังเทศแล้วก็บรรลุหยุดดับความทุกข์ได้หมด หยุดความแก่หยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายหยุดความอยากไปเที่ยวได้แต่มันหยุดไม่ได้เพราะไม่มีกำลังเหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกรู้ว่าจะต้องหยุดรถเนี่ยข้างหน้าเป็นไฟแดงแต่ถ้ารถไม่มีเบรกมันก็หยุดไม่ได้มันก็ต้องวิ่งขวานไฟแดงไปเราต้องมาติดเบรกให้กับใจกันเบรกที่จะทาให้ใจนิ่งใจ หยุดความอยากได้ก็คือสตินี่ถ้ามีสติแล้วเหยียบใช้ให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องเหมือนกับเหยียบเบรกอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยคันเบรกปล่อยคันเร่งคือหยุดคิดด้วยการใช้ใช้เบรกใช้สติมาหยุดหยุดความคิดวิธีที่เราจะมีสตินั้นก็ต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องมือที่จะทำให้ใจมีสติเราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ นี่เราต้องมีในการยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆนั่นเองใจเรานี้เหมือนคนที่ตกน้ำท่วมเนี่ยน้ำกระแสน้ำมันแรงมันจะต้องไหลไปตามกระแสน้ำนอกจากว่าถ้ามีเชือกมีอะไรเกาะไว้ก็จะทก็สามารถดึงร่างกายไม่ให้ไหลไปตามกระแสน้ำได้ฉันใดความคิดของเรานี้ก็เป็นเหมือนกระแสน้ำภายในใจ ที่มันจะดึงใจของเราให้ลอยไปกับความคิดต่างๆลอยไปทั้งวันทั้งคืนแล้วความคิดนี้ก็มักจะพาไปสู่ความอยากต่างๆแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจตามมาต่อไป mm hmm. นี่คือโทษในการที่เราปล่อยใจให้ไหลไปกับความคิดไหลไปกับความอยากมันจะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอน mm hmm. แต่ถ้าเรามาฝึกวิธีหยุด หยุดหยุดใจไม่ให้ไหลไปกับกระแสของความคิดด้วยการมาเจริญสติการจะเจริญสติหยุดความคิดได้ก็ต้องมีกรรมฐานคือมีอารมณ์ไว้เป็นเครื่องยุดเหนียวจิตใจเหมือนกับถ้าเราลอยอยู่ในน้ำถ้าเรามีอะไรเกาะไว้มีเสามีต้นไม้เกาะไว้กระแส น, น้ำก็ไม่สามารถดึงใจเราไปได้ ดึงร่างกายไปได้เราก็ต้องในใจเราก็มีกระแสความคิดที่จะดึงใจไปกับเรื่องราวต่างๆไปกับความอยากต่างๆถ้าเราอยากจะให้ใจเราหยุดไม่ไหลไปตามกระแสเราก็ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเครื่องเกาะไว้กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการผูกใจไว้ไม่ให้ไหลไปกับความคิดเช่นก็มีอารมณ์หลายอย่างด้วยกันที่มีสอนไว้ในพระธรรมลามือ เขเรยว่ามีกรรมฐานสี่สิทชนิดด้วยกันแต่เวลาที่เราปฏิบัติเริ่มต้นนี้เราเพียงใช้อารมณ์เดียวไปก่อนอารมณ์อารมณ์ที่ง่ายที่สุดสาหรับชาวพุทธเราที่นิยมกันในประเทศไทยก็คือการใช้พุทธานุสติ<ม>การน้อนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มเช่นน้อมึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้า<ม>ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธ, ธไปภายในใจ ถ้าเราคิดอยู่แต่คำว่าพุโทโธพุโทโธใจก็ไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเรายึดอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องต่อไปความคิดที่เคยคิดถึงคนนั้นคนนี้มันก็จะหยุดคิดขึ้นมาพอหยุดคิดใจก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาพอใจนิ่งสงบความอยากที่เกิดจากความคิดต่างๆมันก็หายไปหมด อันนี้แหละคือวิธีที่เราจะหยุดความอยากต่างๆได้แต่เราก็ต้องมีปัญญาเป็นผู้บอกเราว่าทำไมเราถึงต้องหยุดหยุดความอยากต่างๆเพราะการไปทำตามความอยากต่างๆจะพาเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆนั่นเองไม่ใช่จะพาเราไปสู่ความสุขเพียงอย่างเดีย ว, วยในเบื้องต้นเราอาจจะได้ความสุขจากการที่เราทำตามความอยากอยากอยากไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวอยากจะซื้ออะไรก็ได้ซื้อ แต่พอเงินหมดที่นี้อยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้ตอนนั้นแหะความทุกข์มันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วเพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายจะตายอันนี้ก็ห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้อยากไม่แก่ก็ทําไม่ได้ก็ทําให้มันไม่แก่ไม่ได้หยุดไม่เจ็บไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหยุดมันไม่ได้หยุดไม่ตายก็หยุดไม่ได้เพราะ พออยากแล้วไม่ได้ทำตามที่ใจอยากมันก็จะทำให้ใจทุกข์ทรมานขึ้นมางนั้นวิธีที่เราจะแก้ปัญหานี้หยุดความอยากตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องมาทำใจให้นิ่งการจะทำใจให้นิ่งก็เหมือนกับรับจอดรถเนี่ยวิ่งรถมาต้องการหยุดรถแล้วก็ปล่อยคันเร่งแล้วก็มาเหยียบเบรแทนฉันใดเราก็ต้องมาปล่อยคันเร่งคือ ปล่อยความคิดอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วมาเหยียบเบรคด้วยใช้การมันใช้มันเจริญสติที่เป็นเบรคที่จะหยุดความความคิดต่างๆได้ทำใจให้นิ่งได้ด้วยการเจริญกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ที่ง่ายที่สุดก็คือพุทธโธพุทธโธนี่ให้เราพยายามเหมือนเจริญพุทธโธ ท, ทั้งวันทั้งคืนเลย ตั้งแต่ตื่นมาจนถึงเวลาหลับการที่เราจะเจริญสติจเจริญพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนี้เราต้องทำในวันที่เราไม่มีงานทำเพราะในวันที่เราต้องไปทำงานเราต้องใช้ความคิดต่างๆตลอดเวลาเราต้องหาวันเวลาที่เราว่างจากภารกิจการงานสมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็ให้หยุดทำงานในวันพระ เพื่อที่จะได้อาวันพระนี้เป็นมามาเป็นวันที่เราจะมาสร้างสติสร้างเดกให้กับใจด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญพุทธานุสติให้เราเล่าถึงพุทธโธพุทธโธไปตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเช่นวันนี้เรารู้ว่าเราไม่ต้องไปทํางานวันนี้เราจะเราไปอยู่วัดอย่างเงี้ยพอเราตื่นขึ้นมาเราก็พุทธโธพุทธโธเพราะถ้าไปอยู่วัดแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องการงานต่างๆ เรื่องที่ต้องทำก็ไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นอาบน้ำน้ำ่งหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวลองโบสไวหวนั่งสมาธิไหวพระสวดมนต์อันนี้ก็เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดระหว่างที่เราทำนี้ถ้าใจมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็หยุดมันด้วยกรารระลึกถึงพุทโธพุทโธได้การที่เราจะเจริญสตินั่งสมาธิให้ได้ผลเราจึงจะเป็นต้องทำในวันที่เราไม่ต้องไป ไปทำงานและต้องไปอยู่ที่ที่มันสงบเช่นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติตา่ตางๆเพราะวัดปฏิบัติตา่ตางๆจะไม่มีเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมายั่วยืนกวนใจไม่มีอะไรมาชวนให้เราต้องไปไปไปเสพมันนั่นเองอเราก็จะได้มีเวลาให้กับการเจริญสติสร้างเบรคในใจขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาด้วยการระเลิกถึงพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับ และช่วงไหนที่เราจะนั่งสมาธิเราก็จะสามารถนั่งได้อย่างสบายนั่งได้นานเพราะใจเราไม่ไปมีความอยากที่จะไปทำอะไรต่างๆนั่นเองเพราะเราควบคุมความอยากด้วยการเจริญพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆพอเวลามานั่งสมาธิเราก็นั่งหลับตาแล้วเราก็พุทโธต่อไปพุทโธก็จะไม่หายพุทโธก็จะไม่เผลอเพราะเราฝึกมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งแล้ว ถ้าเราไม่เคยฝึกพุทโธเลยพอรวลามานั่งสมาธิเรามานั่งเริ่มพุทโธนี้พุทโธได้สองสามคำมันก็หายไปแล้วหายไปกับความคิดต่างๆความคิดต่างๆมันจะดึงไปทันทีดฉะนั้นการที่จะนั่งสมาธิได้ผลดีนี่ต้องฝึกสติมาก่อนที่เราจะมานั่งจะมาฝึกสติตอนที่เรามานั่งนี้มันมีกําลังไม่พอ<ม>นั่งแล้วนั่งได้ไม่นานนั่งได้ห้านาทีสิบนาที ก็เกิดรู้สึกอาการหมุดหงิดอึดอัดขึ้นมาในใจทันทีเพราะเกิดความอยากในใจนั้นเองอยากจะลุกอยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทำนี่อยากจะไปดูนั่นไปฟังนี่ขึ้นมาทันทีมันก็จะทำให้ทนนั่งสมาธิต่อไปไม่ได้ดัง <Yeah. Yeah. S 1> นั้นถ้าเราอยากจะหยุดความอยากต่างๆ เราก็ต้องมาฝึกสมาธิการยากมาฝึกสมาธิเราก็ต้องมีวันมีวันเวลาว่างให้กับการฝึกอย่าไปฝึกในวันที่เราต้องทำงานเพราะมันทำไม่ได้มาฝึกในวันที่เราไม่ต้องทำงานเช่นวันหยุดทำงานนี้เรามาถือว่าเป็นวันปฏิบัติเป็นวันพระของเราเราก็ไปอยู่วัดไปอยู่วัดปฏิบัติที่มีแต่การปฏิบัติมีแต่การนั่งสมาธิมีแต่การไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมฟังเทศฟังธรรม ไม่มีกิจกรรมทางอื่นทางทางความอยากต่างๆถ้าเราไปอยู่ที่อย่างนั้นแล้วเราก็จะสามารถสร้างสติขึ้นมาเพื่อมาหยุดความคิด<ย>เพื่อมาหยุดใจให้นิ่งได้ถ้าเราฝึกไปบ่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถหยุดความคิดหยุดทำใจให้นิ่งได้ตลอดเวลาพอเราสามารถทําใจให้นิ่งได้ตลอดเวลาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็หยุดมันได้ทันที พอเจอความเจ็บไ <icana>, ข้ได้ป <refin ans> er e ่วยแทนที euh önem, kita, ่จะทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราหยุดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้พอเราเจอความตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันทันทีเพราะว่าเราหยุดความอยากไม่ตายได้พอเรารู้ด้วยปัญญาว่าร่างกายเราห้ามมันไม่ได้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ แต่เราสามารถอยู่กับมันได้อยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บได้อยู่กับความตายได้อย่างไม่มีความทุกข์เพราะว่าเรามีสมาธิมีสติคอยหยุดความอยากต่างๆด้วยการสนับสนุนด้วยการสั่งสอนของปัญญานี่นี่แหละคือวิธีของการดับความทุกข์ที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สรรโลกผู้ที่ปรารถนาที่จะหยุดที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็ต้องทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนตามขั้นตอนสี่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกก็ให้เราศึกษาวิธีของการดับความทุกข์ว่าดับอย่างไรเมื่อรู้จักวิธีแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่ว่าสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเมืม่อปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบการหลุดพ้นจากความทุกข์ ขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคาขั้นอนาคาขั้นพระอาหารก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับพอได้บรรลุผลแล้วเราก็สามารถทําหน้าที่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อ่นต่อไปได้เอาธรรมะเลื่อนประเสริฐนี้ไปสอนผู้ที่สนใจใครอยากจะรู้วิธีการดับทุกข์เราก็สามารถสอนให้เขาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วถ้าเขาทําตามเขาก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ นี่แหละคือวิธีที่พพุทธศาสนาอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ 2,500 กว่าปีก็เพราะว่าชาวพุทธเราทำหน้าที่สประการนี้คือศึกษาพระธรรมคำสอนสองปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนสามบรรลุธรรมขั้นต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและหลังจากนั้นก็นำาเอาความรู้ของการหลุดพ้นจากความทุกนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป ผู้ที่ไม่รู้ก็มาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุแล้วก็มาสั่งสอนเผยแพร่เป็นทอดๆไปจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ถ้าเราอยากให้พุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกนี้ไปนานๆเราก็ต้องทำหน้าที่สี่ประการนี้คือศึกษาปฏิบัติบรรลุผลแล้วก็เผยแพร่ธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวของหน้าที่ของชาวพุทธเราที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวหาปุราปริกปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตจินังเปตานาังอุปกา ป, กปิอิชิตังปัทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยทามณมโชติอลาโสยทาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังุทาปจายโน ยตาโรตมวาตันต <Amen. S 1> ิอายุวานสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่สุดหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะถามตอบคำถามกัน ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่น้อกมกราบนมัสการเช่าค่ะผู้รับฟังวันนี้ท้ง Facebook 403 YouTube พระอาจารย์สุชาติ336 YouTube ดกร V 47วิทยุออนไลน์13 c l ับ h o u s e 6ผู้รับฟังหน้ากุติ184รวม989ท่านเช่าค่ะ คำถามฝากถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิดูร่างกายหายใจเข้าออกแล้วมีอาการตัวยโยกโครงอย่างรุนแรงทั้งที่ยังมีสติอยู่แบบนี้ควรจะต้องแก้ไขอย่างอย่างไรและปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับก็แสดงว่าสติมีน้อยมากตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันมันไม่โยกใช่ไหมแต่เวลานั่งสมาธิพอดูรวมไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเคลิงมพอมันเริ่มเคลิ้มสติมันก็อ่อนกําลัง ร่างกายก็โยกไปโยกมานั้นก็ต้องเปลี่ยนวิธีจากการดูลมมาใช้คำว่าลกรรมพุทโธพุทโธถ้าพุทโธแล้วมันจะตื่นมันจะมีมันจะมีสติมากขึ้นแล้วมันจะไม่โยกมีสองคำถามเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งภาวนาพุทโธจิตยังฟุ้งอยู่จนกระทั่งหายฟุง้งแล้วค่อยมาดูลมที่ปลายจมูกทําเช่นนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องเบื้องต้น ถ้าจิตมันฟุ้งดูลมไม่ได้ก็ต้องอาศัยการพุทโธไปก่อนหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้บางท่านก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้แต่พอจิตเริ่มสงบเริ่มเบาไม่หายเริ่มหายฟุ้งแล้วก็สามารถที่จะดูลมได้ก็ดูลมต่อไป คำถามที่สองออกอุบายสั่งของทําบุญให้แม่เพื่อทําบุญโดยให้แม่เป็นผู้จ่ายเงินแม่จะได้บุญใหม่เจ้าคะแล้วโยมจะบาปใหม่เจ้าคะเพราะเหมือนจงใจบังคับให้ซื้อของเจ้าคะ่ะก็ได้บุญแบบไม่เต็มที่เพราะว่าองค์ประกอบของบุญนี้ต้องมีหนึ่งต้องมีเจตนาผู้ทําบุญต้องมีเจตนาตั้งใจอยากจะทําบุญแล้วของต้องเป็นของคนที่ทําบุญเป็นเจ้าของเงินแล้วก็ได้เอาไป แล้วก็ได้ได้เบริจากไปได้มอบให้กับใครไปแทนก็ได้แต่ต้องต้องต้องให้ของที่เราตั้งใจจะทําบุญนั้นไปสู่ผู้ต่อไปถ้าทําเป็นของของเราแต่เราไม่อยากจะทําเนี่ยใจมันก็ยังรู้สึกฝืนๆขาดขาดอยู่แต่ถ้าถ้าทําด้วยความยินดีอยากจะทําเนี่ยมันก็จะได้บุญเยอะกว่า ในออฟฟิศที่มีเพื่อนร่วมงานพูดคุยกันเสียงดังตลอดเวลาใจเราไม่สงบเลยแบบนี้ควรจะต้องวางใจอย่างไรเจ้าคะก็ที่ทำงานไม่ใช่เป็นที่ทำใจให้สงบที่ทำใจให้สงบต้องไปอยู่ที่เงี ย, งยบๆที่วิเวกสงบกายใจถึงจะสงบกายวิเวกจิตถึงวิเวกเห้เวลาเราอยู่ที่กระทืบเครืคอนีอย่าไปหวังให้มันสงบเลยเพราะยาก ใั้นเวลาที่เราอยู่ในที่เกษตรกร เ, เราก็ทำหน้าที่การงานของเราไป ลูกฟังธรรมของหลวงพ่อทั้งทาง YouTube และถ่ายทอดสดรวมถึงการมาฟังหน้ากุฏิด้วยและได้ฟังจากหลายๆรูปที่มีเทศนาธรรมแจริตของลูกจะโดนใจที่หลวงพ่อมากนําไปปฏิบัติก็ดีขึ้นลูกอยากจะขึ้นทางด่วนแต่ด้วยอาการรักษาตัวอยู่มีอาการปวดตึงขึ้นหัวถ้าลูกขึ้นทางด่วนจะมีโอกาสหายไหมเจ้าคะ เพราะตอนนี้กำลังหยุดยากราบขอบารมีหลวงพ่อช่วยให้ลูกได้สมปรารถนาด้วยเจ้าค่ะมันก็อยู่ที่โลกว่ามันเป็นโลกของทางร่างกายหรือมันเป็นโลกของจิตใจโลกใจโลกความเครียดก็อาจจะทำให้เกิดอาการต่างๆทางร่างกายได้ถ้ารักษาความเครียดให้มันหายไปทำใจให้สงบโรคที่เกิดจากความเครียกก็หายตามได้ แต่ถ้ามันเป็นโรคที่เกิดจากทางร่างกายไม่เป็นปกติร่างกายบกพร่องอันนี้ทําใจให้สงบหรือไม่สงบมันก็ไม่มีผลต่อร่างกายแต่อย่างใดเราต้องดูว่าโรคที่เป็นอยู่นี้เกิดจากเกิดจากร่างกายเองหรือ ว, ว่าเกิดจากใจถ้าเกิดจากใจเราทําใจให้นิ่งให้สงบได้โรค ก, ก็จะหายไปได้ หนูอยากกราบขอคําแนะนําและหลักคิดและการปฏิบัติในการร่วมงานกับบริวารลูกน้องที่มีความคิดร้ายต่อเราเพราะเขาอยากที่จะได้รับโอกาสขึ้นมาบริหารจัดการองคอ์กรที่หนูกําลังทําอยู่แต่ไม่ได้รับโอกาสนั้นจึงมีความคิดและการกระทําต่อหนูโดยการแกล้งในเรื่องงานปุก ปั่นให้เกิดกระแสแห hey yes ่งความเกลียดชังแตกแยกในหมู่คณะและมีวาจาไม่ตรงกับใจเสแส้งแทงข้างหลังหนูจะดูใจและพิจารณาตัวเองอย่างไรให้สามารถทำใจเมตตาต่อเขาบุคคลเหล่านี้ให้ได้แม้ในเวลาที yes. ่เขาคิดและทำไม่ดีกับหนูเจ้าคะก็เราต้องมีอุเบกขาก่อนทำใจให้นิ่งให้สงบให้วางเฉยให้ได้ก่อนถ้าเราวางเฉยได้แล้ว เราจะสั่งให้ใจมีเมตตาก็ได้สั่งให้มีการุณาก็ได้สั่งให้มีมุติตาก็ได้แต่ถ้าใจเราไม่มีโอเบ้านี้มันจะไม่ยอมมันเนี่ยใครจะมาทำอะไรเราเราก็จะต้องต่อสู้กันไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถใช้ความเมตตาได้เบื้องต้นเราต้องทำใจให้สงบให้มีโอเบคาก่อนแล้วเราจะสามารถ ปล่อยวางได้เราจะสามารถให้อภัยได้เราจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยไปเขามีเหตุมีปัจจัยทําให้เขาเป็นอย่างนี้เราไปฝืนไปห้า ม, มเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาทําไปเราก็ไม่ไปเดือดร้อนเราไม่ไปตอบโต้ด้วยเพราะเรามีอูเบคขางั้นพยายามฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆวันไหนว่างวันหยุดก็ไปหาที่สงบปฏิปไปปฏิบั ต, บติทำกันดีกว่า ดีกว่าไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆที่ไปกระตุ้นความอยากให้มีมากขึ้นครับกระตุ้นความวุ่นวายใจให้มีมากขึ้นไปปฏิบัติธรรมเพื่อทําใจให้นิ่งให้เยน็นให้สงบมีโอเบคาแล้วเวลาเรากลับมาอยู่กับคนทั่วไปเราจะสามารถที่จะใช้หลักเมตตากรุณามุริตาได้อนี้มาแนละ้ว กราบเรียนถามครับคนคนหนึ่งตีคนหนึ่งตายนั้นเป็นบาปพอหลังจากนั้นตายไปก็ไปเกิดเป็นสุนัขและเป็นแมวแล้วสุนัขตัวนั้นก็กัดแมวตายอีกครั้งสุนัขตัวนั้นจะบาปเหมือนตอนที่เป็นคนหรือไม่ครับก็เหมือนกันนะเพราะมันก็ฆ่าเหมือนกันนแต่ว่าผลตอบแทนมันจะอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไปเกิดเป็นแมวให้สุนัข ก, กัดแทนแทนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ให้คนอื่นเขาเขาฆ่า ก็ทําอะไรไปอย่างไรมันก็จะต้องรับผลของมันอย่างนั้นน่ะศี่ข้อที่หกเราสามารถดื่มน้ําผลไม้ได้ใช่ไหมครับส่วนน้ํานมถั่วเหลืองนี้ดื่มไม่ได้ใช่ไหมครับใช่บางสํานักเขาจะถือว่าน้ํานมนี้เป็นเป็นอาหารถ้าเป็นอาหารก็รับประทานหรือดื่มไม่ได้แต่ถ้าเป็น เป็นน้ำผลไม้ก็ลื่มได้เพราะมีข้ออนุญาตอยู่แต่ต้องเป็นน้ำผลไม้ที่ไม่มีเนื้อต้องกรองเนื้อออกกรองกากออกอะไรต่างๆให้มีแต่น้ำวนวลๆแล้วน้ำผลไม้นั่นก็ต้องไม่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้นขนาดกำปั้นคือเช่นน้ำน้าสับประรดนี่ไม่ได้น้ำส้มโอนี่ไม่ได้น้ำมะพร้าวนี่ไม่ได้ต้องเป็นน้ำของผลไม้ขนาดเท่ากำปั้นเล็กลงมา เช่นส้มแอปเปิลองุ่นอะไรพวกนี้สามารถที่จะดื่มได้แต่ต้องกรองเนื้อออกจากน้ําก่อนอความจริงถ้าเราถือเสีนถ้าเราอยากจะให้มันเข้มข้นก็อย่าไปดื่มมาเลยดีกว่าดื่มน้ำเปล่าๆดีกว่าเพราะสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆก็คือน้ํำนี่งร่างกายไม่ต้องการยสดของน้ําผลไม้ไม่ต้องกา ร, ลลการความหวานของผลไม้ อันนี้มันเป็นกิเลสกิเลสที่เราจะมาคอยกําจัดคือการมาฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดืม่ตมต่างๆเหั้นถ้าร่างกายหิวน้ำว่ากิดดื่มน้ําเปล่านะดีที่สุดจะไม่ได้ตกหลุมพรางของกิเลสจะได้ไม่ไปรับใช้กิเลสถ้าเราไปดื่มน้ําผ ล, ลไม้ดื่ ม, มอะไรต่างๆซึ่งถึงแม้จะได้มีการอนุญาตก็ตามมันก็ยังเป็นการส่งเสริมกิเลสได้อยู่ ถ้าเราต้องการที่กำจัดกิเลก็อย่าไปดื่มอะไรที่มีรสมีชาเนียเพราะร่างกายต้องการจริงๆก็คือน้ำเปล่าๆนี่แห ล, ละเวลาร่างกายหิวน้าแต่กิเลสมันอยากจะได้รสของน้ำด้วยอยากได้รสหวานได้รสหวานอาจจะมีประโยชน์บ้างก็ได้เพราะว่าร่างกายอาจจะขาดพลังงานแล้วดื่มของหวานที่มีน้ำตาลง่ายๆก็อาจจะช่วยได้ แต่เราก็ต้องดูว่ามันเป็นเพราะร่างกายขาดจริงๆหรือว่าเป็นเพราะกิเลสอยากได้ถ้าเป็นทำตามกิเลสแล้วก็แพ้กิเลสไปถ้าเราไม่ทำตามกิเลสเราก็จะชนะกิเลสแล้วต่อไปกิเลสก็จะไม่มารบกวนใจเราเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายทั้งวันนี้ที่เราอยู่กันวุ่นวายก็ถูกกิเลสเนี่ยมาคอยรบกวนมาคอยให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากดูอย่างนั้นอยากดูอย่างนี้ พอไม่ได้ดูก็ทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราเครียดทำให้ใจเราหงุดหงิดทำให้ใจเราไม่สบายถ้าไม่มีกิเลสแล้วใจเราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขมีคำถามเข้ามาหรือยัง mm hmm. ยังไม่มีนะมีใครอยากจะถามไหมเชิญถามได้นะในช่วงนี้เพราะเดี๋ยวถ้าเราเลิกเราจะไม่สะดวกที่จะคุยกัน mm hmm. จะรอสักพักึ่ง กำลังมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาอยู่ตอนนี้ก็พุโทโธพุโทโธรอไปก่อนการทําใจให้นิ่งๆเนีมีความสุขอยู่เฉยๆโดยที่ไม่มีความอยากได้นี่ก็สบายไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปทําอะไรใจอิม่มใจพออยู่ตลอดเวลาเวลาใจไม่สงบขึ้นมาแล้วนี่มันความอยากมันก็จะเด่นขึ้นมา มันก็อยากไปนู่นอยากมานี่อยากทํานู่นอยากทํานี่พอไม่ได้ทําดังใจอยากก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความําคาญใจเกิดความเสียใจเกิดความเศร้าใจขึ้นมาเกิดความเหงาเกิดความ ว, าว้าววขึ้นมาอาการต่างๆเหล่านี้มันล้วนเกิดจากความอยากดังนั้นพอเราทําใจให้นิ่งสงบพอไม่มีความอยากอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปหมดใจเราจะว่างจะเย็นจะเบา จ, จ, จะสบายจะอิ่มจะพอ อันนี้แหละเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อกําจัดคำอยากความโลภต่างๆให้มันหมดไปจากใจตัวความอยากความโลภเป็นตัวมาสร้างความหิวสร้างความไม่พอสร้างความไม่อิ่มให้กับใจพอกําจัดมันได้ความไม่ไม่พอความไม่อิ่มมันก็จะหายไปความพอความอิ่มมันก็จะปรากฏขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปมีอะไรมาทําให้เราอิ่มให้เราพอ ถึ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะมาให้เราอิ่มให้เราพอได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่อิ่มไม่พอได้ได้ร้อยหนึ่งก็อยากจะได้พันหนึง่งได้พันหนึ่งก็อยากจะได้หมื่นหนึง่งมันอยากจะเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะมันคิดว่ายิ่งได้มากยิ่งทําให้อิ่มให้พอมันกลับไม่อิ่มไม่พอมาเสถียรึงมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านอั่าก็ยังไม่พออยู่ดีทั้ง ท, งที่ใช้ไปจนมันตายก็ใช้ไม่หมดตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่กับความหิวตลอดเวลา เวลาที่ตาตาเรากระทบรูปต่างๆจิตเราจะไปคิดเช่นสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่อยากคิดจะใช้คำว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปได้ไหมเจ้าคะ่ะได้ก็ พ, พิจารณาว่ามันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับถ้าเราได้มาแล้วตอนต้นมันอาจจะให้ความสุขกับเราพอมันดับมันก็จะ มันก็ความสุขที่ได้ก็จะหายไปความเศร้าใจความเสียใจก็จะตามมาให้พิจารณาตายรักทุกครั้งที่เราไปสัมผัสรับรู้อะไรแล้วเกิดความอยากขึ้นมาพอเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็จะไม่อยากได้การทำจิตใจให้สงบในเบื้องต้นสามารถใช้การสวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยๆได้ไหมครับได้ทางที่ดีต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งทาจิตให้สงบ ต้องฝึกพุทธโธพุทธโธไปทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยให้อยู่กับพุทธโธถ้าจะคิดเรื่องจําเป็นก็ก็ก็หยุดพุทธโธไว้ชั่วคราวแล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปพอคิดเรื่องที่จําเป็นต้องคิดเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็ใช้พุทธโธกลับหยุดใช้พุทโธหยุดความคิดต่างๆนั้นพยายามควบคุมความคิดลดความคิดให้น้อยลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วจะเวลานั่งสมาธิมันจะนั่งได้ง่ายนั่งได้นานสงบได้เร็วมหมดแล้วเหรอโอเคทำหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรเกยวเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ